1นึรเลียงคาที่ทัศนะว่าด้วยการมีลักษณะเป็นต้นข้อหนึภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้พวกภิกษุอคันตุกะได้เห็นอาการของภิกษุที่อยู่ในอาวาสลักษณะของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเครื่องหมายของภิกษุที่อยู่ในอาวาสสิ่งสอแสดงภิกษุที่อยู่ในอาวาสของพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสเตียงตังฟู่ หมอนน้ำฉันน้ำใช้จัดไว้ดีบริเวณกว่าสะอาดารครั้นแล้วไม่แน่ใจว่ามีพวกภิกษุที่อยู่ในวัดอยู่หรือไม่มีนอนภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่ค้นหาทำโอุโบสถต้องอาบัติทุกคนภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาแต่ไม่พบทำโอุโบสถไม่ต้องอาบัติภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบ ทำบุโบสดร่วมกันไม่ต้องระบัตพิสูจน์เหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบแยกกันทำบุโบสดต้องระบัตทุกกฎพิสูจเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแตกราวว่าขอพิสูจเหล่านั้นจงเสื่อมสูญจงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรทำบุโบสดต้องอบัดถุละใจภิสูจทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ พวกภิกษุอาคันตุกะได้ยินอาการของภิกษุที่อยู่ในอาวาสลักษณะของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเครื่องหมายของภิกษุที่อยู่ในอาวาสสิ่งสอแสดงภิกษุที่อยู่ในอาวาสของพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสได้ยินเสียงเท้าของพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสกําลังจงกรมเสียงสาธยายเสียงไอเสียงจางครั้นแล้วไม่แน่ใจว่ามีพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสอยู่หรือไม่หนอ ภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่ค้นหาทำอุโบสถต้องอบัตทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาแต่ไม่พบทำอุโบสถไม่ต้องอบัตภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบทำอบโบสถร่วมกันไม่ต้องอบัตภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบแยกกันทำอบโบสถต้องอบัตทุกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแตกเราว่า ภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรทำบูโบสถต้องอบัตทุลใจภิกษุทั้งหลายหนึ่งในกรณีนี้พวกภิกษุที่อยู่ในวาดได้เห็นอาการของพวกภิกษุอาคันตุกะลักษณะของพวกภิกษุอาคันตุกะเครื่องหมายของพวกภิกษุอาคันตุกะสิ่งสอแสดงพวกภิกษุอาคันตุกะของพวกภิกษุอาคันตุกะได้เห็นบาดจีวรผ้านิสีธนะ รอยน้ำลางเท้าอันเป็นของภิกษุพวกอื่นพลานแล้วไม่แน่ใจว่ามีพวกภิกษุอคันตุ ก, กะอยู่หรือไม่มีหนอภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่ค้นหาทำบูบูสถต้องอาบัติทุกกฏภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาแต่ไม่พบธทำบโบสถไม่ต้องอาบัติภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบทำบูบสถร่วมกันไม่ต้องอาบัติ ภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบแยกกันทำโมโบสดต้องอบัตทุกข์กดภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแต่คราวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญจงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรทำโมโบสถต้องอบัตทุลใจภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พวกภิกษุที่อยู่ในวัดได้ยินอาการของพวกภิกษุอาคันตุกะ ลักษณะของพวกภิกษุอาคันตุกะเครื่องหมายของพวกภิกษุอาคันตุกะสิ่งสอสแสดงพวกภิกษุอาคันตุกะของพวกภิกษุอาคันตุกะได้ยินเสียงเท้าของพวกภิกษุอาคันตุกะกำลังเดินมาเสียงรองเท้ากระทบพื้นเสียงไอเสียงจามคั้นแล้วไม่แน่ใจว่ามีพวกภิกษุอาคันตุกะอยู่หรือไม่มีนอภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่ค้นหาทำบูโบสถต้องบัดทุกกด ภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาแต่ไม่พบทำอุโบสถไม่ต้องอบั ต, พ, จจ พ, บบ ต, บตพิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบทำอุโบสถร่วมกันไม่ต้องอบัตภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบแยกกันทำอุโบสถต้องอบัตทุกกรธภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแตกร้าวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญจงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไร ทำบูบสดต้องอบัตทุละใจ